เมื่อระลึกบ่อยๆแบบนั้นเนี่ยผลออกมาจะเป็นยังไงนี่นี่บางทีเนี่ยนะอย่างบางบางท่านก็บอกเขาก็สวดมนต์เยอะนะวันหนึ่งเขาสวดหลายรอบแต่ดูว่ามันจะได้ผลอย่างที่ที่พระอริยาสาวกท่านท่านระลึกไหมนะมาดูความต่างว่าเราเหมือนท่านหรือว่าท่านเหมือนเราดูก่อนมหานามะสมัยใดอริยาสาวกย่อมระลึกถึงพระตถาคตเนืองๆทุกบทเลยนะไปอารหัมไปเรื่อยๆทุกบทเนี่ยสมัยนั้น จิตของอริยะสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมอนนราคะไม่กลุ่มรุมเลยไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวใจขณะนั้นตรงที่สุดนนก็อริยะสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารบพระตถาคตย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปรามโมทอันประกอบด้วยธรรม เขบอกว่าโอ้โหถ้ามามัแต่นึกถึงคําว่าอารหังเสียเวลาปฏิบัติแย่เลยยังว่าไหมเสียเวลาปฏิบัติไมถ้าไม่โอ้เนี่ยมัแต่อารหังอารหังเสียเวลาปฏิบัติใช่ท่านนึกถึงคําอาจจะใช่แต่ในที่นี้คําว่าร ะ, ะลึกถึงพระพุทธ ต, ตถาคตอารหันอรหังเนี่ยนะก็คือรู้ว่าอารหังไกลาจากกิเลสกําจัดข่าศึกคือกิเลสหากซีกรมแห่งสังสารจากักไม่มีความลับในการทําบาปควรแก่เครื่องสักการะ อยู่ไกลจากคนชั่วอยู่ใกล้ต่อคนดีคนดีมีพระอริยะ เ, เป็นต้นไม่ทอดทิ้งท่านคือผู้กำจัดบาปธรรม น, นะเป็นผู้ที่ควรยกย่องสันเสริญโดยพระคุณโดยประการต่า ง, างๆเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แท้จริงเนี่ยถ้าถ้าระลึกแบบนั้นด้วยความรู้ความเข้าใจจิตขณะนั้นไม่ถูกราคาไม่ถูกโทสะไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมเนี่ยนะจิตขณะนั้นดาเนินตรงยิ่งพิจารณายิ่งตามระลึกเท่าไหร่ ความรู้ในอัดความรู้ในธรรมก็จะมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมีความรู้อัดรู้ธรรมก็เกิดความปราบปลื้มใจปราโมทเนี่ยนะเกิดความปลื้มใจนั่นแหละปราโมทก็เป็นเหตุให้เกิดปีติคือความอิ่มใจเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติก็มีปัสสถาิกายปัสสทธิผู้มีกายปัสสถาิย่อมได้สวสสุขผู้มีผู้มีความสุขจิตย่อมตั้งมั่น ะถ้าที่อื่นก็บอกว่าเมื่อมีจิตตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงวันนี้ทุกนี้สมุทัยนี้นิโรดนี้นิโรธคามินี้ปฏิปทานนี้ทุกโดยอนิจจังนี้ทุกโดยทุกขังนี้ทุกโดยอนัตตาเนี่ยนะก็จิตนั่งมั่นก็จะพิจารณาอริยสัจเห็นโพธิปัจจียธรรมเป็นต้นก็จะเห็นคุณธรรมทั้งหลายดูก่อนมหานามะนี้อาตมาภาพกล่าวว่า อริยะสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยในหมู่สัตว์ผู้ไม่สงบเรียบร้อยเขาเรียกว่าเป็นผู้สงบในหมู่สัตว์ที่วุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสงบในหมู่สัตว์ที่ไม่มีความสงบสงบนี้สงบทางไหนสงบทางกายวาจาและใจถ้าอริยะสาวกขณะนั้นเนี่ยกายวาจาใจท่านสงบเรียบร้อยในหมู่สัตว์ที่ไม่สงบเรียบร้อย เพราะสัตวทั้งหลายเนี่ยไม่ชั่วทางกายก็ชั่วทางวาจาไม่ชั่วทางวาจาก็คิดชั่วทางใจเนี่ยนะแล้วซึ่งเปิดปกติเนะีเราก็ชอบเรียกร้องอะไรนะรอกชอบคิดถึงคนเลวอยากให้เขาเป็นคนดีนะเขาน่าจะอย่างนั้นเขาหน่าจะอย่างนงี้ น, นะงง น, นะบอกโอ้ท่านหนาอย่างนั้นน่าอย่างนี้นนะพระพุทธเจ้าดีที่สุดเนี่ยนะดีที่สุดถ้าจะร้องเรียกหาคนที่สมบูรณ์ด้วยคุณงามความดีท่านหาจากพระพุทธเจ้าท่านหาจากพระอริย น, นะแล้วท่านจะได้อย่างที่ท่านต้องการแต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปให้เข้าใจไว้เลยเถะว่าเขาเป็นผู้ที่ไม่เรียบร้อยนะก็มีความไม่เรียบร้อยทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางจิตใจบ้างะงมันถ้าเจริญพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะด้วยความเข้าใจแต่ละบทเลยนะสังอารังสัมมาสามัมพุโทโธทําความเข้าใจในทุกคําแล้วใจเนี่ยโคจรท่องเที่ยวมีพระพุทธคุณอย่างนี้เป็นที่อยู่เนี่ยนะจนมีสมาธิจิตตั้งมั่นอย่างนี้ ก็เป็นผู้ที่ไม่มีความพยาบาทในเมื่อหมูสัตว์เป็นผู้มีความพยาบาทนะจิตใจนี้ไม่โกรธนขณะนั้นในหมูสัตว์ที่กําลังกรุ่นอยู่ด้วยความโกรธแต่ตัวเขาไม่โกรธเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งกุศลรธรรมกระแสแห่งกุศลธรรมก็หลั่งไหลไปเนี่ยนะกระแสแห่งอธิจิตจติศิขามีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์กระแสแห่งอธิปัญญาศิกขาก็เป็นไปอย่างต่อนเนื่องย่อมเจริญพุทธานุสติอันนี้เป็นอนุสติ ข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทำหกควรเจริญคือพุทธานุสติเนี่ยนะพุทธานุสติคือทำหกที่ควรเจริญเพราะนั้ น, party, นท่านบอกว่าเครื่องอยู่นะพระพุทธเจ้าบอกว่าพุทธานุสติเป็นเครื่องอยู่มันถ้าเราจะข อ, อมีที่อยู่ทางใจเนี่ยนะบ้านหลังที่หนึ่งคือพุทธานุสติเนี่ยนะดูว่าจะสร้างสําเร็จไหมสร้างพุทธานุสติเอาไว้ในไอ้สวดได้กับมีพุทธานุสติอยู่ในใจนี่เหมือนกันไหม คือบางคนเนี่ยได้โดยพยัญชนะแต่ไม่ได้โดยอัฏฐะคำว่าได้โดยพยัญชนะหมายว่าสวดได้หมดเลยแปลได้หมดเลยนี่เรียกว่าได้โดยพยัญชนะถ้าได้โดยอัฏฐะเข้าใจความหมายกับทุกคําคนที่ได้โดยอัฏฐะกับได้ความปราบปลื่มใจในในในนี้ก็แตกต่างกันบางคนเนี่ได้โดยทั้งพยัญชนะอัฏฐะพร้อมทั้งความปราบปลื่มใจบางคนเนี่ยเจริญได้ความปราบปลื่มใจแต่แหมเดือนละครั้งนานไปเนาะ อาทิตย์ละครั้งม่ก็ยังช้าอีกวัน ล, ละครั้งดีกว่าน้อยไปวัน ล, ละสองครั้งตอนไหนเช้าเย็นสาทุถ้าจะตายก็ขอให้ตายเช้าหรือตายเย็นอ เ, <laughs> เอาถ้าตายตอนนั้นมันปลอดภัยหน่อยอถ้าตายเวลาอื่นช่วยไม่ได้นะไม่แน่นอนนะ <laughs> แล้วงั้นก็ตายตอนไหนนะอเอาอยู่ตอนไหนดีอยู่กับกรรมฐานก็ขอให้หนอนนั้น <laughs> มันก็ต้องเจริญจนกว่าจะเรียกว่าพร้อมทุกเวลาและพร้อมทุก โอกาสเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ๊ยไม่พร er ้อมเขายังไม่ตายง่ายหรอกคนที่พูดอย่างนี้ตายเยอะแล้วนะไอคนที่บอกโอ้ยเขาจะตายแล้วจะตายแล้วอายุยืนจังเลยเนี่ยนะไอคนที่บอกไม่ตายไม่ตายเนี่ยนะโดยมากเชื่อไหมคงนั้นไปงานศพมาเรียบร้อยแล้ววันก่อนโยมเขาเลาว่าโอ๊ยเขาไม่ตายหรอกเขาบอกงั้นเสร็จแล้วตอนเนี้ยกระดูกน่าจะเป็นผงมาเรียบร้อยแล้วคนที่พูดเนี่ยออ้ยเขาไม่ตายเขาอย่างงั้นอย่างนี้คุยขี้มอใหญ่เลย นได้ตายไปเรียบร้อยแล้วไม่น่าเชื่อเลยอะแต่คนที่ทําท่าจะตายนะอยู่ได้จนถึงทุกวันไอ้คนทําท่าจะตายบอกอุย้ยมันจะตายมานานแล้วมันไม่เห็นตายนะั่นแหละเกือบตายแล้วแบบนั้นมันก็คิดดูนะว่าเราเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนมันถามว่าถ้าเราตายถ้าเราไม่มีที่พึ่งแบบนี้เนี่ยนะก็เหมือนกับตกน้ําโดยที่ไม่มีเรือรองรับเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นพุทธคุณนี่จึงเป็นเหมือนกับเรือครั้งก่อนที่ถามว่าที่ที่พระเจ้า พระเจ้ามิลินถามน า, าเกษน า, าเกษที่ท่านพวกเอที่พวกท่านพูดกันว่าคนเนี่ยนะทําความชั่วมาร้อยปีก่อนตายเจริญพุทธานุสติแล้วไม่ไปสู่นรกค่าพระเจ้าไม่เชื่อรอกนะไอคนหนึ่งก็บอกว่าฆ่าสัตว์ครั้งเดียวแล้วตกนรกอันนี้ข้าพระเจ้าก็ไม่เชื่อรอกก็บอกว่าถ้ามีหินน้ําหนักร้อยตันเพราะตันหนึ่งประมาณ เล่มกวีนนึงนะเล่มเกวีย น, น, ยนะยนหนึ่งหเกวียนนี่บรรทุกประมาณหนึ่งตันถ้าร้อยเล่มเกวียนก็คือประมาณหินก้อนหินเนี่ยน้ําหนักร้อยตันน้าหนักร้อยตันก็เท่าไรแสนกิโลอ่าน้ําหนักแสนกิโลนี่เขาบอกว่าโยนลงไปในน้ําเนี่ยถ้ามีเรือลําใหญ่ๆรองรับเนี่ยน้ําอหินก้อนนั้นจะตกลงไปไหมไม่ตกเนี่นะถ้าดูเรือบรรทุกเครื่องบินให้เครื่องบินแต่ละลาไม่ใช่หนัก น, น้อยๆมัยังบรรทุกได้อะ ชั้ใดก็ดีนี้ก็เหมือนการถ้าคนที่ทํำบาปทอาอกุศลถึงจะเคยก่อกรรมทําทุจริตเว้นไว้แต่คารุกรรมมาแล้วเนี่ยนะเว้นไว้แต่ทํคารุกรรมมาเนี่ยเขาตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและไปสุขติพระเทวทัตถ้าไม่ทําอนันตริยกรรมพระเทวทัตไม่ไม่ไปอาบายหรอกเพราะพระเทวทรรัตก่อนตายนี้นึกถึงพุทธคุณนะแต่ที่พระเทวทัตตกนรกเพราะทำมานันตริยกรรมเนี่ยนะแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ลึกถึงความผิดที่ตัวเองเคยทํากับ พระพุทธเจ้าของเราก็ไม่เคยไปทําผิดอะไรกับพระพุทธเจ้าไม่ตัดเสียงพระก็ไม่เคยเป็นต้นเลยนะไม่เคยทําขนาดนั้นเลยนะไม่เคยเจาะขุดอุโมง์ขุดสมบัติพระเจดียอะไรก็ไม่เคยทําเมื่อไม่เคยทําให้เจริญพุทธคูณเลยเพราะว่าเป็นเครื่องเกราะเป็นเครื่องป้องกันเนี่ยนะพุทธานุสติเนี่ยถามว่าหนึ่งในธรรมะที่จะทําให้บรรลุไหมพุทธานุสติเนี่ยนะหนึ่งในบรรดาองค์ที่ทําให้ตรัสรู้นะองค์ที่ทําให้ตรัสรู้มีเท่าไหร่โพชฌงมีเจ็ด อริยมรรคมีองค์แปดสติถ้าในองค์เจ็ดก็สติสามโพชงถ้าในองค์แปดก็เป็นสัมมาสติหนึ่งในองค์ที่จะทําให้ตรัสรู้ใช่ไหมไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นันนะ้นคือตัวสติเนี่ยนะแต่ตัวแต่ว่าอย่างว่าในศาสนาเราไม่เคยบอกว่าธรรมะอันเดียวบรรลุได้ทุกอย่างมีองค์หมด น, นะแม้แต่ฌานก็ยังมีองค์ฌานใช่ไหมโพชงองค์แห่งการตรัสรู้ก็ยังมีองค์เพราะนั้นแต่ว่านี้หนึ่งในบรรดาที่จะถ้าเป็นองค์ที่ทําให้เกิดการ ปราศรูเนี่ยนะเป็นองค์อันหนึ่งเลยแหละที่สําคัญมากเนี่ยนะขอให้พยายามทําความเข้าใจในพุทธคุณธรรมพุทธคุณทุกบทเลยนะอระหังมีความหมายว่ายังไงสัมมาสัมพุทโธแต่ละบทแต่ละบทให้ใจเนี่ยนะให้มีที่อยู่แบบนั้นเลยทีนี้ถามว่าที่อยู่แบบนี้เนี่ยที่อยู่ในโลกนี่มันมีแบบไหนบ้างเคยเห็นกระท่อมไหมพังเง็บพังงาบจะพังมีพังแหล่เป็นต้นเลยนะกับแบบกระท่อมแบบใหญ่ๆโตๆดีกว่านั้นมีมูลค่าเป็นตึกเป็นอารามเป็นบ้านช่อง ถามว่าใจของเราที่เป็นพู้ธานุสติเนี่ยจะให้มีแบบหลังแบบไหนดีพังเงอบพังงาบตกลงเข็มเท่าไหร่ดีมั่นคงก็ดูสภาพจิตเอากันแล้วกันนะสังเกตดูตอนไหนรู้ไหมมันมั่นคงหรือไม่มั่นคงอันนี้นี่พูดแบบอันนั้นพูดจริงๆไหมดูสังเกตจากส่วนมโนเนี่ยมันพังเงอบพังงาบไหมเอนโนนทีเอนี่ทีนั่นหะดูแล้วว่าโหเรือน อบอกว่าอะไรนะวิหารธรรมคือพุทธานุสเ ต, ตในลมมันพัดบ่อยเหลือเกินเนี่ยโยกหน้าโยกหลังสังเกตดูเวลาเจริญพุทธคุณอะนะอารหังปั๊บมั่นดิ่งเลยนะเพราเงือบพาพเพราะไมก็ดูจากตากลอกเลก ๆ, ๆเหลือซ้ายเหลือพวาดูหน้าดูหลังโอ้ยไม่มั่นคงอะไรเลยถ้าอย่างนี้ก็ลมมันแรงพายกุกระหน่าไอ้บ้านก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วใช่ไหมนั่นก็ทํายังไงให้มันเป็นบ้านที่มั่นคงนะอรหังก็เป็นหลังหนึ่งที่มั่นคงมาก เป็นที่อยู่อย่างดีเลยนะเข้าไปสบายสัมมาสัมพุทธโธก็เป็นบ้านอย่างดีเออมเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วมันมีห้องเป็นสิบสี่ห้องอ่นะเข้าไปอรหังก็เป็นห้องหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะกรรมฐานเขาเรียกว่าเป็นห้องนโะบราณคนไทยแท้แทๆเลยเนะี่ยถ้าเป็นกรรมฐานก็จะเข้าสู่ห้องแห่งกรรมฐานเขาเรียกว่าเข้าห้องเลยนะเั้นอรหังก็นหนึ่งห้องเลยก็ดูว่าห้องนี้มีเครื่องใช้ไม้สอยเพียบพร้อมแค่ไหนสัมมาสัมพุทธโธก็เป็นอีกห้องหนึ่งเลยโอโทงเลยใช่ไหม วิชาจารณสัมปันโนสุขโตไม่ใช่เข้าไปเปิดห้องไหนก็มืดมิดไปหมดไม่มีอะไรข้างในเนี่ยนะ ก, ก็สังเกตดูนะว่าถ้าเปรียบเทียบว่าพุทธานุสติเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่มากเนี่ยนะแล้วแต่ละแต่ละบทก็เหมือนกับห้องแต่ละห้องเราก็มาดูว่าแต่ละห้องเนี่ยเป็นยังไงเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่ดีไหมนะอยู่แล้วมั่นคงจริงหรือหรือว่ามันลมพัดเอียงซ้ายเอียงขวาไปเอียงหน้าเอียงหลังก็สังเกตดูเอากันแล้วกันเพราะว่าทุกคนก็สร้างบ้านอยู่ใน ใจตัวเองสร้างวิหารธรรมที่มีอยู่ในใจคนที่มีที่พึ่งทางใจที่ดีขนาดนี้ก็ควรจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้บางทีเนี่ยนะภาเวตรราธรรมเนี่ยสาคัญเพราะว่าบางคนเนี่ย อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาจ น, จนจิตใจนี่บางคนเนี่ยนะถ้าศึกษาธรรมะเนี่ยถ้าศึกษาพลาดมันอันหนึ่งนะอนิจจังทุกขังอนัตตาจนไม่มีบุญอยู่ในใจแม้แต่นิดเดียวเลยเออเอะอก็อนิจจังเอะก็ทุกขงังเอะก็อนัตตาเสร็จแล้วก็ก็เลวอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ ไม่มีคุณทำรรอะไรอยู่เลยเนี่ยมันแปลว่าศึกษาธรรมะพลาดอย่างชนิดที่เรียกว่าให้อภัยไม่ได้เลยเพราะไม่มีใครให้อาภาัยเข้าอยู่แล้วอ่ะทําไมเพราะใจเขาเองไม่ให้อาภาัยตัวเองเพราะสร้างแต่ทุกโทษให้แก่ตัวเองแต่ถ้าหากว่าคนที่ศึกษาถูกต้องเนี่ยนะพุทธคุณเนี่ยจะดํารงมั่นอยู่เสมอเนี่ยนะมองเห็นพุทธคุณแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องก็ดํารงมั่นมีที่พึ่งมีอาศัยเนี่ยนะสมมติถ้ามีภัยเนี่ยบอกว่ า, วา พุทธคุณแต่ละบทนี่เป็นเหมือนหลุมหลบภัยเป็นห้องหลบภัยเพราะถ้ามีอันตรายปั๊บเข้าห้องนี้เลยนะนะเข้าห้องนี้เลยแล้วก็หลบภัยได้ละว่ากันเป็นที่หลบภัยอ้าวเวลาเราสวดอ่อนนะสารณะนี่แปลว่าอะไรเครื่องกําจัดภัยใช่ไหมแปลอีกภาษาหนึ่งว่าที่หลบภัยถ้ามีภัยใดๆก็เข้าสู่ห้องพุทธคุณนะนะห้องพุทธคุณห้องอารหังห้องสัมมาสัมพุทโธห้องวิชาจารณะสัมปันโนโอ้ต้องมีหลายๆห้องหรือมีห้องเดียวมันต้องมีหลายห้องอนะเปิดไว้หลายๆห้อง แล้วแต่ละห้องนี่ควรจะมีเครื่องประดับแค่ไหนนะมีเครื่องประดับอลังการขนาดไหนเครื่องประดับคือปีติเครื่องประดับคือศรัทธาเครื่องประดับคือฮีริโอตัปปะเครื่องประดับคือสุตะเครื่องประดับคือจาค้าเครื่องประดับคือปัญญาเครื่องประดับคือสติประธานสัมมาประธานนะอรหังเนี่ยควรจะมีเครื่องประดับเท่าไหร่ตกแต่งอลังการวิจิตรในห้องพอที่จะหลบภัยได้นะน ถ้าเจริญได้ตามนี้จริงก็ถือว่าเป็นคนที่มีความปลอดภัยสูงมากเนยะมีความปลอดภัยในสูงมากที่จะช่วยให้ตัวเองพ้นจากวัตะเพราะมีที่พึ่งดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมระลึกถึงพถ้รรำเนืองๆว่าเนี่ยอันนี้ก็วิหารธรรมอย่างที่สองของท่านคือพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอันผู้บรรลุจะพึงได้เห็นเองเนนะ เพราะมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องที่เห็นได้เฉพาะตัวอริยมรรคให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ดีควรเรียกให้ผู้อื่นมาดูเป็นธรรมที่ควรน้อมมรรคผลเนี่ยควรน้อมจิตให้มีในตนหรือควรให้มีในจิตของตนนิพพานควรน้อมจิตเข้าไปรู้อันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนเป็นธรรมะคือโลกุตระธรรมที่อุคติตันยูวิปัญจิตันยูและนิยบุคคลจะพึงรู้ได้เฉพาะตน ดูก่อนมหานามะสมัยใดอริยาสาวกย่อมระลึกถึงพระธรรมเนืองๆบอกว่าในบรรดาธรรมะธรรมคุณหกเนี่ยนะสวากขาโตภควาตาธ ร, รมโมหนึ่งสันทิทโกหนึ่งอากาลิโกหนึ่งเอหิปัสสิโกหนึ่งโอปัญญิโกหนึ่งตัจจตังเวทิตาโพวินโยหีหนึ่งคำไหนปีติที่สุดคำไหนหน่าฟังและปลื้มเลยนะฟังแล้วปีติดีใจมากที่ได้ยินคำนี้สวะาขาโตภควาตาธรรมโม ที่จริงของเราเนี่ยนะถ้าผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเนี่ยใช้ได้บทเดียวที่ถูกคือคำว่าสวากขาโตภะวะตาธรรมโมเขาบอกว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่จริงแท้เนี่ยนะถ้าจะให้จริงได้มีอยู่คำนี้คำเดียวคือสวากขาโตภะวะตาธรรมโมส่วนบทหลังๆเนี่ยเป็นชื่อของนิพพานมรรคผลนิพพานทั้งหมดเลย นนถ้ากล่าวตามยิสุธิมักกล่าวตามพุทธพจน์ในที่หลายๆแห่งเนี่ยตั้งแต่สันทิที่กวากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณียโกปัจจัตังเวทิตาโพวินยูเหิเนี่ยเป็นชื่อของมัคคุปนิพันธ์พันธะจะเอื้อมระดับล่างกว่านั้นก็คือสวากขาโตพะคะวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วดียังไงอ่ะเนี่ยนะครับเราบอกว่าดียังไงเนี่ยนะบอกว่าเออแล้วพระธรรมที่เราศึกษาเนี่ช่วยให้เราอะไรบ้างแล้ว ตรงนี้ถามว่าเราควรตั้งคําถามหรือว่าควรปล่อยปละละเลยไปเลยควรตั้งคําถามว่าสวาขาโ ต, พ ร, ตามโมพระวะตาธรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีดียังไงนะดีแค่ไหนช่วยอะไรเราบ้างนีนะช่วยตรงไหนเนี่ยนะช่วยส่วนไหนแล้ ว, แ ล, วแล้วดีจริงหรือเปล่าแล้วในที่สุดของการนับถือมันจบที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะเราก็จะได้มั่นใจใช่ไหมจะได้เกิดความมั่นใจเราก็มาดูว่าห้องธรรมคุณหกอันนห้องธรรมคุณหกเข้าไปในห้องสวาขาโตเป็นยังไง เ, เข้าไปในห้องสันธิทิโกเป็นยังไงเข้าไปในห้องสันธิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนายโกปจตังเวทิตาโพวินโยหิตเนี่ยเพราะว่าธรรมคุณหกก็เหมือนกับบะปราสาทหลังใหญ่ที่มีหกห้องเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศาาัยเนี่ยนะวิ จ, จิตอลังการขนาดไหนก็ดูจากไหนดูจากใจของเราใจของเราเนี่ยพอที่จะมีสิ่งเหล่านี้ที่มั่นคงดีขนาดไหนก็ผู้ที่เจริญ ทำมานุสติได้อย่างนี้เนี่ยนะบอกว่าดูก่อนมหานามาสมัยใดอริยาสาวกย่อมตามระลึกถึงพระธรรมเนืองๆในสมัยนั้นจิตของพระอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุมไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมไม่ถูกโมหะกลุ้มรุมย่อมเป็นจิตดําเนินไปตรงทีเดียวก็อริยาสาวกผู้มีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารบคุณของพระธรรม ย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ทำย่อมได้ความปรามโมทอันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมเสวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนมหานามะนี้อาตมาภาพกล่าวว่าอริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ยังไม่สงบเรียบร้อยเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทในเมื่อหมู่สัตว์ยังมีความพยาบาท เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งกุศลธรรมเจริญธรรมานุสติอยู่เนี่ยนะนั้นคนที่เจริญธรรมานุสติถูกต้องเนี่ยนะจะได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มอยู่ตลอดเวลาะได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มอยู่ตลอดเวลาบางคนก็บอกว่าพุทธานุสติเนะีเจริญแล้วยังพอปีติบ้างธรรมานุสติเนี่ยนะสวารขาโตพระว่าตาธ ร, รมโมเนี่ยเว้นไว้แต่น้ำหนักเสียงที่มันคล่องเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้อะไรเลยก็งั้น ไม่เคยตีติเลยใช้ตลอดเนี่ยนะทําไมมันเป็นอย่างนี้เคะว่างั้นมีคนที่เขาเขาไม่สบายใจมากทําไมเขาสวาักขาโตเมื่อไหรเขาเฉยเฉยบางคนนี่เดือดร้อนเพราะใจมันเฉยเยคือเขาเห็นว่าปกติสิ่งเหล่านี้มันเป็นสาระใช่ไหมเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสาระเมื่อได้เจอสิ่งที่เป็นสาระทําไมมันเฉยเฉยมันเพราะอะไรก็เพราะว่าเวลาสวาักขาโตเนี่ยนะของเราทั้งหลายต้องนึกถึงสูตรใดสักสูตรหนึ่งในใจเนี่ยเช่น คนที่มีศรัทธาในมงคลสูตรสวากขาโตภควตาธรมโมเนี่ยนะมงคลสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันธิทิโกถ้าปฏิบัติตามนั้นจริงก็ได้ให้ผลตามนั้นจริงนะก็ต้องเอาพระสูตรมาตั้งก่อนเนี่ยนะเอาพระสูตรใดสูตรหนึ่งมาตั้งว่าเช่นมงคลสูตรเนี่ยสวาขาโตภควตาธรรมโมมงคลสูตรนี่สันทิทิโกมงคลสูตรนี้เป็นอะกาลิโกมงคลสูตรเป็นโอปัยิโกเป็นต้นเนี่ยพระธรรมที่ปรับตามนั้นเนี่ยดีจริงๆ หรือไม่ก็เอาโพธิปักขยธรรมมาว่าโพธิปักขยธรรมเนี่ยสวากขาโตภะวะตาธรรมโมโพธิปักขยธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นตน้นนะหรือไม่ก็อริยสัจธรรมเนี่ยนะอริ ย, ยสัจสี่ประการเนี่ยสวากขาโตภะวะตาธรมโมสันทิฏฐิกโกอาการิกโกจะทั้งมีคําสอนที่เป็นอยู่เบื้องหลังหรือไม่ก็เอาศีลสมาธิปัญญาก็ได้ หรือเอาวิสุทธิเจ็ดก็ได้ว่าวิสุทธิเจดสวาขาโตภควะตาธรรมโมสันทิทิกวาการิโกคือจะต้องเอามีธรรมะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นที่ตั้งแล้วก็สรนเสริญไปอันนี้จะเป็นเหตุให้ได้รับปีติและปราโมทไหมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วดียังไงถ้าทำเนี่ยดียังไงเป็นต้นเนี่ยสูตรไหนบอกดีดีดเนี่ยนะเขาบอกว่ า, วา เคยเคมีกลุ่มหนึ่งเขาสนทนาบอกคุณเลื่อมใสสูตรไหนที่สุดในพระไตรปิฎกอ่าในฐานะผู้ที่เรียนด้วยกันมากเนี่ยนะเขามาถามกันสูตรไหนที่ไพเราะที่สุดในพระไตรปิฎกไหนลองว่าให้ฟังมันเพเราะยังไงก็เลเอามามาม า, มาเล่าสู่กันฟังเนะี่ยสูตรไหนไพระที่สุดเอาสูตรนั้นดีเหลือเกินแต่ว่าจําไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็แมมันจะหน้าเศร้าขนาดไหนใช่ไหมสูตรนั้นก็ดีจริงๆนะแต่ว่าจําไม่ได้อ่ะจะคุยอะไรกันต่อไปใช่ไหม มันผู้ที่มีธรรมานุสติอยู่ในใจได้ บ, บ่อยๆจะต้องมีพระธรรมสูตรใดสูตรหนึ่งอยู่ในใจอยู่เสมอนะต้องที่จริงคนที่ศึกษาคําสอนที่มีความมั่นคงระดับหนึ่งนะมันมั่นคงระดับล่างๆนะไม่ใช่ระดับสูงอคนที่อยู่มีความมั่นคงระดับล่างๆเนี่ยคือใจของเขามีคําสอนอยู่ตลอดเวลาที่จริงเนี่ยที่เรียกว่ามีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทาไมจึงใช้คําว่ายังอยู่ระดับล่างๆ จริงน่าจะระดับสูงใช่ไหมคือใจอยู่กับคําสอนได้แต่ยังเจริญคุณธรรมอันนั้นไม่ได้อันนั้นเช่นปกติเนี่ยบอกว่าใจอยู่กับสูตรใดสูตรหนึ่งแต่ยังไม่มีคุณธรรมตา ม, ตามสูตรนั้นทั้งหมดเนี่ยนะแต่มันก็เป็นเบื้องต้นเพ่านทุกเวลาทุกขณะใจเราต้องมีคําสอนหนึ่งอย่างท่านเวลาเห็นอะไรทุกอารมณ์เนี่ยต้องนึกถึงคําสอนให้ได้หนึ่งอย่างถ้าอย่างนี้ก็ถือว่ามีความมั่นคงพอสมควรนะนะท่าน ขอใจของเราจะได้ห่างจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งต้องนึกถึงคําสอนให้ได้เห็นดินนี้นึกถึงคําสอนได้ไหมเห็นถนนนึกถึงคําสอนได้ไหมอันนะ้เห็นอากาศนึกถึงคําสอนได้ไหมนึกถึงอะไรนึกถึงคําสอนไม่ได้บ้างอลองหาดูนท่านนึกถึงคําสอนได้อขอสาธุขอให้นึกจริงๆครเห็นคําสอนได้หมดเลยทุกผนทุกแห่งนะ ขอให้เห็นคําสอนเนี่ยทุกทวารเห็นคําสอนอยู่ในทุกทวารได้หมดเลยถ้าอย่างนี้ก็ถือว่ามีความมั่นคงสูงมากถือว่ามีความที่อยู่ที่ค่อนข้างดีแต่ว่าสําคัญว่าเสริมสร้างที่อยู่อันนี้ให้มันม่นคงอะนะอย่าให้มันแบบง่อนแง่นกรรแกรไม่ใช่ลมพัดไปปลิวไปปลิวมาไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวนะไม่ใช่เจออะไรนะตอนแรกก็อยู่คําสอนดีๆพอเจอลมปากเป่าพ่วงไม่กี่ครั้งเนี่ยนะหายหมดเลี่ยนะจริงๆไอ้ลมที่จะพัดให้ใจเราห่างจากคำสอนเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกลมไหน ลมปากเนี่ยนะมันพัดให้ห่างคําสอนดีนักเลยก็ต้องฟังให้ดีนะว่าลมปากเนี่ยลมเสกหรือว่าลมทําลายเนี่ยนะดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมระลึกถึงพระสงค์เนืองเนืองว่าพระสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วเนี่ยนะถ้าสวดอย่างนี้เราต้องนึกถึงกลุ่มไหนดีเอางี้เนีว่าถ้าถ้าเป็นสวดวันมาฆะเนี่ยนะ่าจะดีว่า สาวกของพระพุทธเจ้าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปนั้นเนี่ยปฏิบัติดีแล้วนะให้นึกถึงให้มีชุดที่เป็นอริยะอยู่ในใจบ้างนะว่าพระสงฆ์พันหนึ่งร้อยห้าสิบรูปนั้นเนี่ยนะสุปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้วพันหนึ่งร้อยห้าสิบรูปเหล่านั้นเนี่ยปฏิบัติตรงแล้วพันหนึ่งร้อยห้าสิบรูปเหล่านั้นอะยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรทผลเข้าถึงยายธรรมที่สุดแล้วเนี่ยนะ พันหนึ่งพันสองร้อห้าสิบรูปเนี่ยเป็ดปฏิบัติสามีจิตสมควรแก่การกราบการไหว้ควรลุกรับควรเชื่อเชิญควรทําอัญชลีควรทําสามีจิตกรรมะนะคือให้มีกล่มภ้าริยะอยู่ในใจแล้วก็สด น, นะเช่นอาจจะส่วนนดง่ายๆภาษารีบทสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติ ด, ดีแล้วภาษารีบทสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตรงแล้วให้มีภ้าริยะอยู่ในใจไม่งั้นเราก็ได้คําที่ไพเราะอีกคำหนึ่งที่ฟังดี ก็อดีตชาติเคยเกิดเป็นคนคนคนแขกกันนะบอกโอ้สุปฏิพันโนคํานี้เพราะมากแสดงว่าอดีตชาติเคยสะสมคําเหล่านี้ไว้นะแต่ว่าเอาอัธยาศัยดีเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าอยากให้เกิดความเข้าใจที่ดีๆถ้าได้รับมีความเข้าใจที่ดีๆเนี่ยนะมันประกาศเสงความมั่นคงอังกฤษบอกว่าตั้งแต่มีพระพุทธศาสนาขึ้นมามีผู้บรรลุเท่าไหร่หาประมาณไม่ได้ใช่ผู้ ผู้ที่บรรลุทำตามพระพุทธเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้วอุชูปฏิปันโนปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อบรรลุมรักผลนิพพานจริงๆสามีจิปฏิปันโนท่านเหล่านั้นควรแก่การกราบการไหว้าการลุกรับการควรเชื่อเชิญควรทำอัญชลีกรรมเป็นคู่ควรทำสามีจิกรรมเป็นนาบุญที่ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าจริงๆ น, นะถ้าท่านนึกถึงคุณธรรมของพาริยส า, าวกเหล่านั้น สมัยใดยอริยาสาวกกระลึกถึงพระสงฆ์เนืองๆเนนะี่ยะอ่าก็เราสาวกนึกถึงสาวกอีกเหมือนกันนะท่านก็ปีติเนะี่เคยเคยสังเกตฑ์ไหมภาษาดิบุตรตําหนพระโมคขลานาพระโมคขลานดาด่าภาษาริบุตรพระมหากสัสสปะสอเสียดยุแยงภาษาดิบุตรพรโมคขลานาให้แตกกันเนนะไม่มีท่านเหล่านั้นพระอริยะท่านไม่ทํากันเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนนะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยหีริโอตตะปะเป็นต้นคุณธรรมของท่านเหล่านั้น เต็มเปี่ยมไปหมดดงั้นท่านเหล่านั้นจะจะร ะ, ะลึกถึงกันด้วยปีตินะพระคุณเจ้ารูปนั้นอ่ะท่านจะพูดถึงกันเปาะมากเคารพกันมากทุกคนจะมีความเคารพซึ่งกันและกันนะมีความเคารพกันมากนเลยนะท่านอย่างพระนางวิสาขาก็ตามระลึกนึกถึงพระนนทเป็นต้นนะทุกคนก็จะมีการระลึกถึงพระอริยะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมวินัยปฏิบัติจนได้ตรัสรู้อริยสัจ ต, ตามพระพุทธเจ้า สมัยใดอริยาสาวกระลึกถึงพระสงฆ์เนืองๆบ่อยๆ อ, อย่างนั้นสมัยนั้นจิตของพระอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุมย่อมไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมไม่ถูกโมหะกลุ้มรุมย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวก็อริยาสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารบพระตถาคตย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรม เมื่อปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมสเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนมหานามะนี้อาตมาภาพกล่าวว่าอริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยอยู่ในหมู่สัตว์ยังไม่สงบเรียบร้อยเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังมีความพยาบาท เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งกุศลธรรมเจริญสังขานุสติเจริญสังขานุสติกลุ่มไหนบ้างะนะก็ที่จริงเนี่ยนะถ้าใครมีข้อมูลว่าเช่นธรรมจักรกับปวัตนาสูตรบรรลุเท่าไรอัธิตะอานาตาลักษณะสูตรบรรลุเท่าไร่แต่ละสูตรแต่ละสูตรเหล่านั้นเป็นต้นนึกถึงที่ไหนเขาบรรลุ ก, กันยังไงบอกอ้อาริยาสาวกเหล่านั้นปฏิบัติดีแล้วปฏิวัติตรงแล้วเป็นต้นเนี่ยนะเราเจริญอย่างนี้ก็จะทําให้เกิดปีติแล ประโมดเนี่ยนะทำให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจทําให้เกิดความสนใจแต่วท่านเหล่านั้นบรรลุสูตรนั้นบรรลุได้อย่างไงทําไมเขาพิจฟังธรรมจักแล้วเขาจึงบรรลุเขาบรรลุอะไรบรรลุว่ายัางไงทําไมเขาฟังอนัตตลักษณะสูตรแล้วเขาบรรลุบรรลุอะไรบรรลุว่ายังไงทําไมจึงบรรลุเป็นต้นเนี่ยนะทําไมเขาบอกว่าฟังมงค ล, ลสูตรแล้วบรรลุหาประมาณไม่ได้เป็นต้น แล้วกออ็ท่านเหล่านั้นปฏิบัติดีจริงๆนะท่านปฏิบัติตามมงคลจนได้บรรลุเมื่อไรนะเราจะได้บรรลุคือเรียกว่าเป็นผู้กระยิ่มอคําว่ากระยิมภาษาภาษาภาษาโบราณนะครับว่าเหมือนสัตว์นรกกระหยิ่มผู้ที่จะจะไปสวรรค์ฉะนั้นอคําว่ากระยิมตัวนี้แปลว่าอยากเป็นอย่างนั้นบ้างอนะนะเมื่อฟังเขาบอกว่าผู้ที่ระลึกแบบนั้นเนี่ยต้องมีใจบอกอยากเป็นอย่างนั้นจริงๆ ่นะนะอย่างพูดทุกคนจะกะย็ยิมในพระพุทธเจ้านะอธิบายว่าปรารถนาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้ากย็ยิมในภาษารีบุตรก็อยากจะเป็นเช่นกับภาษาริบุตรถ้าเรากรย็ยิมในพระอาริยเจ้าจะไปไหนใช่ไหมเราก็ใฝ่ฝันปรารถนาที่จะเป็นพระอาริยเจ้าคงไม่ใช่อนุ ร, รักษ์นิยมอะไรเนาะก็เรามันปุตตุชนคำว่าเงิน <c oughs> ไม่รู้อนุ ร, รักษ์ไว้ทำไมก็ไม่รู้จริงก็พร้อมจะแก้ไขนี่แหละมันนะนะไม่ได้คิดจะอนุ ร, รักษ์ร้อง ดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมระลึกถึงศีลของตนศีลของตนเนี่ยเรามีศีลแค่ไหนหนึ่งสอามสี่ห้าก็มาไล่ดูห้าหกเจ็ดแปดอะไรเงี้ยก็ไล่ดูว่าระลึกถึงศีลของตนเนืองเนืองนึกถึงศีลรักษ า, าจะต้องรักษาศีลขนาดไหนจึงสามารถนึกถึงศีลได้บ่อยๆไม่ใช่นึกหนึ่งสองสามสี่ห้าจบเลยนะแล้วแต่ละข้อเนี่ยนะมันขยายผลได้แค่ไหนกว้างขวางขนาดไหนก็มาไล่ดูนะ ศีลทุกข้อไม่ขาดไม่ดงังไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยอันตันหาและทิฐิไม่จับต้องไม่ยึดถือเป็นศีลที่วินยูชนชมเชยสรรเสริญพระพุทธเจ้ารับรองว่าเออศีลของเธอดีนะยอมพระพุทธเจ้าหมายความว่าศีลของเราเนี่ยนะเอางี้ก่อนเราคิดว่าพระพุทธเจ้าจะอนุโมทนาไหมที่เรามีศีลเนี่ยนะ ก, ก็ถามถามใจด้วยความสุจริตใจจริงๆว่า ศีลไล่แล้วนะหนึ่งสองสาสหเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านอนุโมทนาไหมเขาบอกว่าตัวรู้ฉันใดเทพเจ้าก็รู้ฉันนั้นเทพเจ้ารู้ฉันใดตัวของตัวก็รู้ฉันนั้นว่าเราอบอุ่นใจขนาดไหนในศีลของเราเนี่ยนะมั่นใจขนาดไหนในกุศลศีลของเราถ้าเรามั่นใจขนาดนั้นก็นั่นแหะตามระลึกได้บ่อยๆในศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยเช่นผู้ที่รักษาอุโบสถก็เวลาว่างๆกันล่งระลึกถึงอุโบสถของตนเนี่ยนะระลึกถึงศีลห้าของตนศีลเหล่านี้เป็นไปเพื่อความไม่ฟุ้งซ่านเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนอนะที่เรียกว่าศีลลักศีละกุศลนํามาซึ่งความประอวิปติสารนํามาซึ่งปราโมทยิติปัสสัททิสุขและสมาธิศีลทุกอย่างที่เรารักษาเนี่ยนะเจตนาที่เวน้นจากปานาติบาศก็เป็นไปเพื่อสมาธิ เจตนาที่เว้นจากอาทินนาทานการเมิสุมิ t i ฉาจารมุสาวาตเว้นจากการดื่มสุราและเมรยัยศีลทุกอย่างเหล่านี้เป็นไปเพื่อสมาธิไม่ได้เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนเลยเนี่ยนะถ้าระลึกได้อย่างนี้บ่อยๆเรียกว่าเจริญศีลานุสติก็เป็นเครื่องอยู่อีกอันหนึ่งเหมือนกันนะด้วยการตามระลึกนึกถึง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 เมื่อปราโมทยแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีเมื่อใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมเสวยสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนมหานามะนี้อาตมาภาพกล่าวว่าอริยะสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยอยู่ในหมู่สัตว์ที่ยังไม่สงบเรียบร้อยเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญพุทธอเจริญ ศีลานุสติเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีซื้อมีใจเนี่ยมีที่อยู่คือศีลศีลเป็นเกาะศีลเป็นที่กำบังศีลเป็นที่พึ่งศีลเป็นที่ระลึกถึงศีลเนี่ยเป็นประมุขเป็นหัวหน้าเป็นประธานเป็นประตูเนี่ยนะเป็นที่ฐานเป็นที่รองรับคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะก็ระลึกถึงคุณงามความดีบุญที่ตัวเองได้เจริญศีลที่ตัวเองได้ตกปักรักษามา ดูก่นมหานามะอีกประการหนึ่งอริยส า, าวกย่อมระลึกถึงการบริจาคของตนหนึ่งๆกระกระจาขานุสติระลึกถึงการบริจาคที่เคยให้ไปเนี่ยนะที่เคยให้แล้วทบทวนดูนะว่าไปให้ที่ไหนอย่างไรเมื่อไหรเป็นต้นเนี่ยนะนึแล้วก็นึกนึกว่าอย่างไงนึกว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอะคือหมู่สักถูกมนทินคือความตรหนีกลุ่มรุมมีใจแต่เราเนี่ยมีใจปราศจาก มนทินคือความเศร้าหมองคือความตรนีอยู่คลองเรือนเราเป็นผู้มีจาก้าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มคอยหยิบของสามารถบริจาคได้ทันทียินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำเนกยทานที่นั้นเราก็ให้มาแล้วที่นี่เราก็ไปให้มาที่นั้นสัตว์ทั้งหลายเขาตรณีเราก็ไปบริจาคที่นั้นเขาเขาต้องการเราก็ไปให้เป็นต้น น, นึกถึงการให้นึกถึงการบริจาคนึกถึงการ เสียสละว่าเราได้ดีแล้วเป็นลาภของเราแล้วเป็นบุญของเราแล้วที่เราได้มีโอกาสให้นะที่เราได้มีโอกาสให้ดีใจภูมิใจสบายใจมีความสุขใจที่ได้ให้ดีใจอย่างนั้นเนี่ยนะแต่ก็หลายท่านในที่นี้คง็คงดีใจที่เคยไปเจริญกุศลเคยไปให้เคยไปบริจาคเคยไปเสียสละเคยไปทําพุทธบูชาเป็นต้นเนี่ยนะก็เคยจากฆ่ที่ตัวเองได้สละไปสละอาหารข้าวของเครื่องใช้ข้าวน้ําผ้าดอกไม้ของหอมประทีปคมไฟหรือที่เคยสละ เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารยารักษาโรคเป็นต้นที่เคยสละเคยบริจาคไปว่าเรานี้ได้ดีแล้วเนี่ยนะได้ดีแล้วที่เรามีใจให้ดีใจที่ตัวเองไม่ให้อ่ดูกรมหานามะสมัยใดอริยส า, าวกย่อมระลึกถึงการบริจาคของตนอยู่เนืองๆอย่างนี้สมัยนั้นจิตของอริยส า, าวกนั้นน่ะไม่ถูกราคะกลุ้มร่มไม่ถูกโทสะกลุ้มร่มไม่ถูกโมหะกลุ้มร่ม ย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวก็อริยะสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารบการอะไรการบริจาคเนี่ยนะย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ทําได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสเวรรค์สุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนมหานามะนี้อัตมาภาพกล่าวว่า อริยะสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยอยู่ในหมู่สัตว์ที่ยังไม่สงบเรียบร้อยเป็นผู้มีความไม่พยาบาทอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังมีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งกุศลธรรมเจริญจากขานุสติเพมันเขามีที่อยู่ที่ดีที่เป็นที่อยู่ที่ใจมีเครื่องอยู่ที่ไม่ประกอบด้วยความไม่เรียบร้อยนะเป็นที่อยู่ที่สงบเรียบร้อยเป็นที่อยู่ที่ไม่มีความพยาบาท เป็นที่อยู่ที่สงบจริงๆเป็นที่อยู่ที่นะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะคับเพระองค์เจงสอนให้เจริญจากขคานุสติถ้าไม่เคยให้ อ, อะไรมาเจริญที่นั่นเราก็ไปขอมาที่นี่เราก็ไปขอมาถ้าอย่างงี้มันจะได้อะไรจากะคานุสติไหมที่คนนั้นเราก็เคยอ้อนวอนนะเราเคยขอเขานะคนนี้เราเคยเคยขอเจริญจากะคานุสติได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้เนาะ อันสุดท้ายดูก่อนมาหานามะอีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมเจริญเทวตานุสติ mm. เทวตานุสติฟังให้ดีนะไม่ใช่สาทุก ข, ขอให้ลูกช้าง mm. โปรดลูกช้างลูกม้าลูกหนูอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะอั้นคําว่าเจริญเทวตานุสติระลึกถึงเทวดาหมายคําว่าระลึกถึงเทวดาเนียงๆว่า mm. เหล่าเทวดาชั้นจาตุมดาวเดืองยามาดุสิตนิมมานารดีปารณิ ม, มิตรวะสวัตติจนถึง เทวดาเหล่าพร ม, มกายิกามีอยู่หรือที่สูงกว่าพรมเหล่านั้นมีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วอุบัติในเทวดาชั้นนั้นศรัทธาเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาชั้นดาวดึงเอิรชั้นจาตุมก็มีศรัทธา เ, เขาก่อนหน้านี้นะเทวดาเหล่านั้นก็ไปจากมนุษย์นี่แหละนะตั้งกัต จ่าตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปรินิมิตาวสวัสดีพรหมปา ร, ร, ริสัชฌาพรหมโรหิตามหาพรหมาประริตตาภาประิตตสุภาอั ป, ปมาณสุภาสุภกินมหาเวหผลาไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสุดภาวะท่านเหล่านั้นอดีตท่านก็เป็นมนุษย์เช่นเรานี่แหละแต่ท่านเหล่านั้นมีศรัทธาเช่นใดแล้วไปเกิดนะที่นั้นศรัทธานั้นเราก็มีอืมอย่างนี้นะมั่นใจขนาดนั้นเลยนะ คนที่มีมีบุญจเจริญบุญจริงๆเขามั่นใจยอย่างนี้จริงๆนะเขาจเจริญแบบนี้จริงๆว่าเขาเหล่านั้นมีศรัทธาเช่นใดเราก็มีเทวดาเหล่านั้นเนี่ยนะสมัยเป็นมนุษย์เขามีศีลเช่นใดตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดณที่นั้นศีลเช่นนั้นเราก็มีเหมือนมีมานะนะแต่ไม่ใช่มานะเพราะปรารบถึงตัวกุศลธรรมท่านเหล่านั้นมีสุตะเช่นใดอุบัติจากมนุษย์แล้วไปเกิดในเทวโลกเช่นนั้นเช่นนั้นสุตะอ น, นั้นเราก็มี ท่านเหล่านั้นประกอบด้วยจาคะเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปเกิดณที่นั้นจาคะเช่นนั้นเราก็มีเทวดาเหล่านั้นเนี่ยนะประกอบด้วยปัญญาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วณไปสู่ณเทวดาชั้นนั้นๆแม้ปัญญาเช่นนั้นของเราก็มีอยู่เนี่ยนะไม่ใช่อ่อนวอนไม่ได้ขอร้องเทวดาอะไรสักนิดเดียวนะเทวดาเป็นพยาน ตัวท่านเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาระมีปัญญาเช่นใดเราก็มีเหมือนท่านนะประกาศขนาดนี้เลยนะมั่นใจขนาดนี้ท่านอนาถาท่านมีศรัทธาเช่นใดตายจากมนุษย์ไปเกิดในดุสิตข้าพเจ้าก็มีเหมือนท่านนะไม่ใช่แค่ท่านคนเดียวเท่านั้นที่มีศรัทธามีศีลเป็นต้นเนี่ยนะเราก็มีเช่นท่านนะมั่นใจขนาดนั้นไม่ใช่ท่านอนาถะท่านจะสงเคราะห์อะไรข้าพเจ้าบ้างไหมย่างเงี้ยมาเปรีย่างกันนะ เท ว, วตานุสตีนันเป็นการที่เรียกว่าปรารบถึงคุณธรรมของตนที่คู่ควรที่ได้ไปเกิดณที่นั้นดูก่อนมหานามะสมัยใดอริยาสาวกระลึกถึงศรัทธาีินสุตจากขะและปัญญาของตนและของเท ว, วดาเหล่านั้นเนืองๆ น, น, น, นะคือเห็นเลยว่าเท ว, วดาทุกชั้นก็มีศรัทธาศินสุตจากขะปัญญาเราเองก็มีศรัทธาสินสุตจากะและ ปัญญาถ้าระลึกอย่างนี้ได้เนืองๆสมัยนั้นจิตของพระอริยาสาวกนั้นไม่ถูกราคะกลุ่มรมไม่ถูกโทสะกลุ้มรมไม่ถูกโมหะกลุ้มลมย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวก็อริยาสาวกผู้มีจิตดาเนินไปตรงเพราะปรารบเทวดาย่อมได้ความรู้อัดได้ความรู้ทาได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรม เมื่อได้ปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนมหานามะนี้อัตมาภาพกล่าวว่าอริยาสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ผู้ไม่มีความสงบเรียบร้อยเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในเมื่อหมู่สัตว์ยังมีความพยาบาท เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสแห่งกุศลธรรมเจริญเทวตานุสติดูก่อนมหานามะอริยะสาวกผู้ได้บรรลุเสาดาปฏิพลเป็นต้นทราบชัดศาสนาคือทีอ่ศีลศึกษาที่จิตศสกษาที่ปัญญาศิกษาแลว้วอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออนุสติหประการเหล่านี้แลเป็นส่วนมากเลยนะเป็นส่วนมากของเราก็มาดูว่าเรานี่มีวิหารวิหารกับกระท่อมไม่เหมือนกันนะ วิหารเนี่ยค่ะถ้าปั้งเหนือเนี่ยมาเป็นที่ที่มันมั่นคงแบบที่อยู่ลบแดดหลบฝนหลบร้อนหลบหนาวสบายอยู่ดีมีสุขเลยว่างั้นฮะเนี่ยคือเราแบบวิหารแปล ว, ว่าที่อยู่นะวิหารก็คล้ายๆกับโบสถ์นั่นแหละแต่ไม่ใช่โบสถ์วิหารเขาจะสร้างหน้าพระเจดีย์เนี่ยนะโบสถ์เขจะสร้างไว้ต่างหากอันถ้าเรามีวิหารธรรมดังที่กล่าวไปก็ถือว่ามีที่อยู่ที่อาศัยที่มั่นคงอ น, นะยังไงยังไงก็จะให้ลมปากมันเป่าจะปลิวว่อนไปหมดเลยนะเป่าพ่วงหมดศรัทธาในพระพุทธเจ้าเลยนะ เป่าอีกพ่วงหนึ่งหมดศรัทธาในพระธรรมเป่าอีกพ่วงหนึ่งหมดศรัทาในพระสงค์เป่าอีกพ่วงหนึ่งปิดสนิทเลยอย่างนี้นะแต่อย่าได้อย่างนั้นเลยเนี่ยนะอย่าให้ใครมาเป่ามาเสกซะจนห่างจากพระรัตนตรัยเลยทัานขอให้เราเนี่ยมีพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังข า, านุสติศีลานุสติจ า, ารานุสติและเทวตานุสติเพราะเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยาสาวกพระอริยาสาวกผู้มีเครื่องอยู่เหล่านี้ ท่านปฏิญาณตนว่าท่านเป็นผู้มั่นคงในพระศาสนาเป็นผู้ที่ดํารงมั่นในคุณธรรมที่นําออกจากทุกข์ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ประสบแต่ความสุขเช่นพระอริยส า, าวกเหล่านั้นโดยทั่วกันปฏิสัมพิทาวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้อันด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้ฟังจนจบบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้จงเป็นผู้ละความสงสัยได้เด็ดขาดในคุณของพระพุทธเจ้า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 ฟังรายการพระธรรมตามพระไตรปิฎกบรรยายโดยพระอาจารย์สมบัตินันทโกทางสถานีวิทยุ1ปน1035เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาและ21นาฬิกาถึง23นาฬิกาสนใจซีดีหรือเอ3สาติดต่อได้ที่โรงพยาบาลนวนคนครถนนพู้หุนโยธินโทรศัพท์ 025294533 41โรงพยาบาลนวันครอายุทยาถนนเอเชียโทร035315100 30และมู ล, ลนิธิรักธรรมโทรศัพท์027115997 8 ขออนุโมทนาค่ะ